ซึงมีอยู่4ี่ระดับด้วยกันคือระดับของพระโสดาบันระดับของพระสกิ ร, ด, ร ด, กดาคามีระดับของพระอนาคามีและระดับของพระอระหันต์ก็จ ะ, จะเจริญขึ้นไปตามลําดับขั้นของปัญญาที่สามารถพิจารณาเห็นใจลักเห็นอริยสัจสี่หรือเห็น ความไม่สวยไม่งามของร่างกายใจก็จะก้าวขึ้นไปตามลำดับท่านจึงแยกโลกุตตรธรรมไว้เก้าขั้นด้วยกันคือมัคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมัค ก, ก็คือการเจริญวิปัสสนาในแต่ละขั้นโสดาปติมัคผลก็คือ เวลาที่ได้เห็นอย่างชัดเจนเห็นายรักเห็นอริยสัจสี่ในขั้นของพระโสดาบันขั้นของพระสกิทาคามีอนาคามีพระนของพระอาหารหันต์ก็เช่นเดียวกันก็ต้องเห็นใจรักเห็นอริยสัจสี่เห็นอสุภะขั้นของพระสกิทาคามีกับพระอนาคามี ก็ต้องเห็นดัสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายขั้นของพระอาหารหันต์ก็ต้องเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอรหันต์อริยสัจ ส, สีภายในจิตพอถึงขั้นพระอาหารหันต์แล้วก็จะได้พระนิพพานเป็นผลตอบแทนอนิพพานก็คือการสิ้นสุด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 เช่นถ้าในขณะ น, นี้ใจของพวกเราไปอยู่อีกภพหนึ่งเช่นอยู่ในในเทวโลกหรืออยู่ในพรหมโลกเราก็จะไม่ได้รู้เรื่องของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอเราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์หรือถ้าเราอยู่ในเทวโลกเราก็ต้องมีความใฝ่บุญใฝ่กุศล ส, สนใจที่จะศึกษาธรรมะ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 ขั้นของทมที่ไม่มีวันเสื่อมมีแต่จะเจริญขึ้นไปอยู่ตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดได้เราก็ต้องปฏิบัติกันเราต้องทำทา น, นารักษาศีลไต่เต้าขึ้นไปจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากขึ้นไปตามลำดับการทาทานนี้ง่ายกว่าการการักษาศีลห้า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 ผู้ที่รักษาศินแปดได้แล้วก็จะสามารถจเจริญสมถะภาวนาได้ง่ายกว่าผู้ที่ยังรักษาศินแปดไม่ได้ผู้ที่ได้สมถะภาวนาได้ความสงบได้อัปปนาสมาธิแล้วก็จะพิจารณาธรรมได้ง่ายพิจารณาอริยสัจสี่พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ง่ายกว่า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 ไม่เป็นสมาสติมาหาปัญญาก็ยังพอทำลายได้เช่นขั้นของต่าที่ต่ำกว่ามมาสติมาหาปัญญาเนชะ่น ข, ขั้นของพระโสดาบันสกีดาคามีอนณาคามนะีความอยากต่างๆมันไม่ได้ทำงานตลอดเวลาเหมือนขั้นของพระอรหันขั้นที่จะขั้นอารหาันต์ตมักเนี่ย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 แล้วก็ส่งออกบําเพ็ญรักษาศีลอย่างเต็มที่จเจริญสมถะ ภ, ภาวนาวิปัสสนาภาวนาอย่างเต็มที่หรือตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยจะทรงภาวนาเป็นหลักเลยศีลก็รักษาไว้ถ้ามีการบําเพ็ญภาวนาแล้วเรื่องศีล น, นี้ก็จะไม่มีการที่จะไปละเมิดเพราะการภาวนานี้ไม่ต้องไปอ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 ทำให้เราสามารถรักษาศีลแปดได้ในวันพระในเบื้องต้นก็รักษาศีลแปดในวันพระไปก่อนควบคู่กับการเจริญสมถภาวนาหาที่สงบหาที่วิเวกที่ไม่มีอะไรมาคอยรบ ก, กวนใจไม่มารบ ก, กวนการเจริญสมถภาวนาการเจริญสติ พอเราจเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเห็นคุณค่าของการรักษาศีลแปดของการจเจริญสมถภ า, ภาวนาของการเปรีกวไม่เวกเราก็จะเพิ่มวันเวลาให้กับการปฏิบัติให้มากขึ้นลดภารกิจทางด้านการหาความสุขทางร่างกาย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 จึงต้องทำให้คนไข้สลบก่อนด้วยการ ด, ดมยาสลบแล้วก็ต้องคอยควบคุมให้คนไข้นีส้สลบอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะถ้ายาหมดสภาพไปคนไข้ก็จะเพพื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาก็จะไม่สามารถทำการผ่าตัดได้ต่อก็ต้องให้คนไข้สลบกลับไปใหม่ก่อน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 กิเลสตันหาไม่ชอบนั่งสมาธิไม่ชอบทาใจให้สงบเขาก็จะสอนว่าไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิไม่ต้องทําใจให้สงบเจเริญปัญญาได้เลยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะสอนสมมาสมาธิไว้ทำไมเราจะเชื่อใครดีเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์หรือเราจะเชื่อพวกที่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 ใช้ปัญญาโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธินี้ต้องพิจารณาให้รอบคอบความจริงใครเขาพูดอะไรก็ไม่ปฏิเสธหรือไม่รับไม่ควรจะปฏิเสธหรือไม่ควรจะรับควรที่จะนำเอาไปพิสูจน์ดูเขาบอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิจเจริญปัญญาได้เลยเราก็ลองไปจเจริญปัญญาดูลองไปพิจารณาตายรักดูสเปะ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 ยุติไว้เพียงเท่านี้และขออนุโมทนาให้ผ่อนยะทาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสะกะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสัภิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตผวะตวันตระโยสุขีทีคายุโกผวะอภิวาทนศีริตสะนิจจังวุทฒาปะจายิโนจตารโอธรรมาวาธานติ อายุวนโนสุขังพาลางังตอนนี้ฝนตกก็ต้องนั่งสมาธิกันตามธรรมเนียมเพราะว่าคุยกันก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงเดี๋ยวเดียวก็หยุดฝนช่วงนี้คงไม่นาน15นาที20นาทีก็น่าจะหยุดเห็นตอนนี้เราก็เอาเวลานี้มา นั่งสมาธิทําใจให้สงบกันเพื่อเวลาที่เราสนทนาธรรมกันจะได้มีอัรถรสดใจที่สงบแล้วจะฟังทำได้ชัดเจนกว่าใจที่ไม่สงบนะธรรมพิธีไหนก็ทําไปตามวิธีของเราก็แล้วกันตอนนี้ก็เสียงก็พอจะเงียบลงพอที่จะสนทนาธรรมถามตอบปัญหาธรรมกันได้ เดี๋ยวก็จะเปิดโอกาสให้ท่านที่อยากจะถามปัญหาได้ถามได้หรือจะผ่านทางอินเทอร์เน็ตในศาลานี้มีใครอยากจะถามปัญหาไหมและใครอยากจะเสนอแนะอะไรกราบนมัชการพระอาจารย์ค่ะเมื่อมนุษย์เราตาย มีทางไปเจ็ดทางถามว่าทางที่สามไปสวรรค์ต้องมีกําลังของฮิริโอตปะอยากให้พระอาจารย์อธิบายทางที่สามค่ะคำว่าฮริโอตปะก็แปลว่าความอายความกลัวผลของบาปก็คือถ้าเรามีฮิริโอตปะเราก็จะรักษาศีลห้าไม่ทําบาป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 พุโทโธในใจอย่างนี้แบบนี้ได้ไหมครับขอพระอาจารย์เมตตาด้วยครับก็ไม่ทราบว่าปฏิบัติเพื่ออะไรอยากจะได้อะไรถ้าอยากจะเป็นล่างส่งก็เราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยไปทางนั้นทางของพุทธเจา้านี้ท่างให้ทําใจให้สงบเพื่อจะได้มองเห็นธรรม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 ยังไม่เห็นสภาพของศพของร่างกายที่ตายไปกลายเป็นศพเป็นอย่างไรภนะาโสจาบันก็ยังต้องมาแก้ปัญหานี้อยู่คำถามต่อไปค่ะจากคุณประพัท์สแสวงหัทรัพผมได้กำหนดจิตดูลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งนอนหลับปรากฏว่าเราได้รับรู้สภาวะของจิต ที่กำลังเข้าสู่พวังวงเล็บหรือหลับแต่รับรู้ได้ช่วงเซี่ยวนาทีอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าที่รับรู้นั้นเป็นสภาวะจริงหรือความฝันครับถ้าคดไม่รู้มันก็ฝันนะมั <laughs> ถ้ามันรู้จริงมันก็ไม่ฝันคนำะถามต่อไปจากท่านป๊อบแห่งเอเชียค่ะขอเรียนถามว่า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 เขียนมาใหม่ก็แล้วกันเขียนให้มันชัดหน่อยว่าอยากจะถามอะไรกันแนะ่คำถามต่อไปนะคะจากท่านเดิมคุณกนกพรค่ะพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านสิ้นกิเลสแล้วแสดงว่าท่านสิ้นราคะโทสะโมหะด้วยหรือเปล่าคะสิ้นแล้วเหมือนกันนะราคะโทสะโมหะความโลภกดลง ความอยากในกามกามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานี่ก็เป็นพวกเดียวกันนั้นะท่านไม่มีแล้วอยู่ในใจของท่านต่อจากคําถามเดิมกิเลสกับตันหาต่างกันอย่างไรคะก็ต่างกันที่ชื่อนะแต่ <laughs> <laughs> ตัวเดียวกันนะคําถามต่อมาจากท่านเดิมคะ่ะอุ ป, ปกิเลสกับกิเลสต่างกันอย่างไรคะ ก็ตัวเดียวกันน่แลละต่างกันที่ชื่อ <c oughs> คำถามต่อมาค่ะมีพระรูปหนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงมีทุกข์เมื่อคราวที่พระองค์ทรงห้อพระโลหิตแต่ความทุกข์จะเกิดในจิตฝ่ายอากุศลไม่สวยงามจึงอยากถามว่าพระพุทธเจ้าทรงมีราคาโทสะโมหะหรือคะ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 ที่ต้องมีทั้งสองส่วนที่มีก็คือต้องอาศัยคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมีอาศัยตัวเราเองในการปฏิบัติถ้าเราเพียงแต่ให้พุทธเจ้าสอนเราแต่เราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุได้ดังนั้นมันไม่ขาดกันถ้าเรารู้จักเข้าใจความหมายเขาหรหน้าที่ของแต่ละส่วน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 ธรรมของพระพุทธเจ้าเราถึงจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้คื อ, อ, อท่านอาจารย์เคยไม่แัดอธิบายลูกแล้วแต่ว่าลูกยังไม่เข้าใจข อ, อ, องแท้จ้าคะคือคือท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเป็นระดับโสดาบันเนี่ยจะ เ, เข้าใจถึงการเกิดดับแล้วแต่ว่ายังมีราคะคือยังเห็นความสวยงามคือลูกไม่เข้าใจว่าถ้าเกิด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 อวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังนี้ก็ได้เช่นไปเปิดหนังสือดูภาพที่เข า, าชันสูตรศพอย่างนี้ดูอวัยวะต่างๆแล้วดูคนตายเนี่ยศพดูดูศพแล้วดูซิว่าเราดูเราจะเกิดอารมณ์ไหมอันนี้แหละคือดูศพกับดูคนเป็นนี่มันมีอารมณ์ต่างกันไหม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 อย่างสามีตายสมมติถ้ามีสามีเธาตายแล้วเก็บศพไว้นอนต่อได้ไหมรักษาวันนะหัวเราะทีนี้ใครจะมาย่างไปยกให้เขาไปไหมเอใจไหมถ้ า, อ, าอย่างนั้นหมายความว่าถ้าเราเข้าใจว่าร่างกายตายไปได้เนี่ยก็คือว่าเราแค่รู้ว่าว่ามันไปแล้ว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 ก่อนร่มวมกว่ามันคู่กันค่ะมันไม่คู่กันท่านถึงสอนเรื่องอนิจจังกับอสุภะเนี่ยอนิจนจังก็คือความไม่เที่ยงเกิดแล้วดับอสุภะก็คือไม่น่าดูไม่สวยไม่งามลอ น, นั้นเป็นงานขั้นต่อไปพอไม่กลัวตายแล้วเทนี้ขั้นต่อไปก็มาดับความคล่ายเพราะว่ายังยังมีชีวิตอยู่มายังเห็นคนนู้นคนนี้อยู่เห็นก็ยังเกิดอารมณ์อยู่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 เพราะความเหงาความว่าเหวนี่มันก็เกิดจากกามารมณ์นี่เกิดจากความอยากหาความสุขกับผู้อื่นดันั้นต้องขั้นต่อไปพอได้ผ่านขั้นะละสกกายทิฏฐิดได้แล้วก็ต้องเข้าไปสู่ขั้นละกามราคาะเราต้องพิจารณาอาสุภะอย่างต่อเนื่องทีนี้งานเป้าหมายเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนพิจารณาความตายความเจ็บ พ อ, อ น, นี้ผ่านไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหากับเราแล้วนี่ปัญหาที่ยังเป็นกับใจอยู่ก็การอารมณ์ละราคะตัณหาก็ต้องพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆมองเห็นไครก็ต้องมองเข้าไปทะลุ ป, ปุโปรมองเห็นสามสิบสองอาการหรือมองเห็นเวลาที่เขาตายไปแล้วถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะดับการอารมณ์ได้อันนี้เป็นเรื่องของร่างกาย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 เวลาใครก็ด่าก็ให้รู้เฉยๆแสดงว่าอยู่ที่ตัวรู้ถ้าเขาด่าแล้วตอบโต้ก็แสดงว่าอยู่ที่ตัวตนมันว่ากูนี่วะกูก็ต้องว่ากลับนั่นว่าเออนี่คือการปฏิบัติที่มันละเอียดเข้าไปนล้วซึ้งเข้าไปเรื่อยๆออมันมีขั้นมีตอนจะไปข้ามขั้นไม่ได้เพราะว่า เ, ออเหมือนกับเวลาที่เราส่องกล้องจุลทรรศน์ ด, ดู อ, อ่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 คนมันไม่มีความสุขมันเลยต้องร้องหลอกกันไปหลอกกันมาแล้วพอตอนเช้าก็ปวดหัวกินเหล้ามากกินบางนอนไม่หลับบางทีก็กว่ายัตื่นก็สายโดนี่แหละคือเพราะเราไม่มีความสุขภายในใจเราเลยต้องไปหาความสุขภายนอกก็เลยไปทุกข์กับของภายนอกกันไปทุกข์กับราบยศจันรเสรินทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรส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 มีอะไรมีด้วยกันทุกคนแต่มองไม่เห็นกันใช่ไห ม, มพยายามต้องฝึกสอนใจให้หัดมองให้เห็นมองทะลุไปใต้ผิวหนังให้ได้พอเห็นบ่อยๆแล้วมันก็จะเฉยเมื่อยมันก็จะไม่ไม่มีความอารมณ์นี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นขัน้นเป็นตอนไปถ้าเรายังปล่อยวางส่วนใหญ่ไม่ได้เราจะไปปล่อยวางส่วนละเอียดได้ยังไง อย่าคนที่สอนก็ว่าให้พิจารณาจิตให้ฮอันนั้นก็คือเอาเอาขั้นสูงเลยขั้นพระอรหันเลยปัณสโดาสกีดาคามีนี่ไม่ต้องไปสนใจมันถ้าได้อหรหันแล้วได้หมดเลยก็ไม่ต้องไปเรียนอนุบาลไปเรียนปริญญาเอกกันเลยไม่ดีกว่า <c oughs> ได้ใบเดียวได้ครบหมดเลย <c oughs>